เดือนที่เจ็ดวันที่8ถึงส2สองสมถะและวิปัสสนาทุกเช้าฉันยังตื่นตีสี่ตามเคยด้วยความเคยชินแปลกไปบ้างคือมักลุกขึ้นมาเดินดูดาวเล่นหรือนั่งอ่านพระไตรปิฎกไม่ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมโดยเฉพาะด้วยความรู้สึกว่าแม้อาการเดินเล่นในบัดนี้ก็กลายเป็นเวลาของการภาวนาได้ วันหนึ่งฉันเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าพระพุทธองค์ยังทรงพระชนฉันคงจะไปกราบเพื่อขอใช้เสียงกล้าวแทนแผ่นรองบาสักครั้งในชีวิตและจะได้ทูลถามเป็นการส่วนตัวว่าเมื่อถึงโสดาปันติผลแล้วสำหรับฉันควรทำเช่นใดต่อไปเป็นพิเศษเพื่อถึงยอดแห่งความสวัสดีโดยไม่เนิ่นช้ากลับเข้าห้องนอนเปิดคอมพิวเตอร์ เกิดความอยากรู้ขึ้นมาว่าค า, ารวะในสมัยพุทธกาลมีที่บรรลุธรรมกันมากน้อยเพียงใดโดยจำได้เล่าว่าเคยอ่านผ่านตาเห็นมีอุบาสกอุบาสิกาที่ยังบริโภคกรรมแต่สามารถปฏิบัติภาวนาได้ถึงระดับอนาคามีมากมายฉันอยากอ่านสูตรนั้นอีกจึงค้นหาด้วยคำสำคัญคืออุบาสกและบริโภคกา ร, รมก็พบกับมหาวจชโคตสูตร ซึ่งเป็นสูตรเกี่ยวกับนักบวชนอกพุทธศาสนาคนหนึ่งที่มีโอกาสเข้าเฝ้าและกราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมซึ่งหลังจากที่พระศาสดาแสดงธรรมที่เป็นอกุศลและธรรมที่เป็นกุศลตามลำดับท่านวัชชะก็เกิดความสงสัยและทูลถามว่าภิกษุกับภิกษุณีผู้เป็นสาวกแห่งพระองค์มีมากหรือไม่ที่สาเร็จคุณวิเศษต่าง พระองค์ตรัสตอบว่ามีมากไม่น้อยเลยท่านวัชชะก็สงสัยและทูลถามต่อว่านอกจากภิกษุและภิกษุณีแล้วแม้อุบาสกกับอุบาสิกาผู้ไม่ถือบวชมีมากไหมที่บรรลุธรรมในระดับที่ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่ามีอยู่มากอีกเช่นเคยแล้วบัดนั้นท่านวัชชะก็ทูลถามเพงผู้สําเร็จในระดับโสดาบัน ใจความคือก็อุบาสกหรืออุบาสิกาแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวกของพระโคดมฝ่ายขรือหัดนุ่งผ้าขาวบริโภคกามทำตามโอวาทคำสอนของพระองค์แล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงแล้วถึงความเป็นผู้กล้าแล้วไม่เชื่อศาสดาอื่นแล้วมีอยู่หรือไม่พระเจ้าคะ่ะ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนวัชชะพวกอุบาสกและอุบาสิกาผู้เป็นสาวกของเราฝ่ายคฤรืหัดนุ่งผ้าขาวบริภคกรรมทำตามโอวาทคำสอนของเราข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงแล้วถึงความเป็นผู้กล้ า, ลาแล้วไม่เชื่อศาสดาอื่นแล้วมีอยู่ไม่ใช่เพียงร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อย ไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยที่แท้มีอยู่มากทีเดียวฉันอ่านถึงตรงนี้แล้วยกมือไหว้อนุโมทนาท่มศีศักด์ทซาบซึ้งในพระมหากรุณาแห่งองค์ศาดาเป็นล้นพ้นคนรุ่นเรารู้จักคารวะดังๆผู้บรรลุธรรมไม่กี่คนเช่นอุบาสกอย่างเช่นพระเจ้าสุโธทนะสมเด็จพระพุทธบิดาผู้บรรลุโสดาปติผล หรืออุบาสิกาเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาซึ่งบรรลุโซดาปฏิผลเช่นกันความจริงในบันทึกและนอกบันทึกพระไตรปิฎกยังมีครวะบรรลุธรรมอีกมากอย่างเช่นสันตติมหาอมมารก็บรุถึงพระอรหัตผลโดยยังไม่ได้บวชทีเดียวท่านวัชชะฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสมีกำลังใจแก่กล้า เพราะตระหนักว่าธรรมะของพระพุทธองค์ทำสำเร็จกันได้ทุกคนแม้แต่คารวะบริโภคกรรมยังมีที่บรรลุธรรมกันมากอย่ากระนั้นเลยท่านเองสมควรบวชเนื่องจากคิดว่าท่านเองก็ต้องทำได้เช่นกันและสมควรทำได้อย่างบริบูรณ์ด้วยเนื่องจากเป็นพระสำหรับท่านวัชระนั้นเดิมทีเป็นนักบวชนอกพระศาสนาซึ่งตามพระธรรมวินยัย ต้องอยู่ปริวาสก่อนอุปสมบทคือประพฤติข้อวัดต่างๆเป็นพิเศษให้ภิกษุดูใจจนกว่าจะยอมรับซึ่งท่านวัชชะก็ทูลพระพุทธองค์ว่าคนอื่นเขาอยู่ปริวาสกันสี่เดือนข้าพระองค์ขออยู่ให้ครบสี่ปีทีเดียวซึ่งเมื่อครบตามปณิธานของท่านวัชชะท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งในพุทธศาสนาสมใจเมื่อบวชเพียงเครื่องเดือนก็ได้พระโสดาปติผล สิริรวมเวลาได้สี่ปีกับสองสัปดาห์ท่านก็ล้างคราบความเป็นอัญญะเดียรถีสำเร็จมรรคผลเป็นอริยะบุคคลองค์หนึ่งจากนั้นท่านก็เข้าไปกราบทูลขอคำแนะนำขั้นต่อไปจากพระพุทธองค์ซึ่งพระองค์ท่านก็ตรัสตอบว่าดูก่อนวัชชะถ้าเช่นนั้นเธอจงเจริญธรรมะทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิด ดูก่อนวัชชาธรรมะทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนานี้เธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วจักเป็นไปเพื่อแทงตลอดในธาตุหลายประการสรุปคือจะเป็นผู้เริ่มต้นภาวนาหรือผู้ภาวนากระทั่งถึงมรรคผลแล้วก็ยังต้องเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่จะละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยความประมาทว่าไม่สาคัญไม่จาเป็น ตกลงฉันได้คำตอบสองข้อจากพระสูตรเดียวคือทั้งได้รู้ว่าอุบาสกอุบาสิกาที่บรรลุธรรมมีอยู่มากและได้ทราบว่าเมื่อถึงโสดาปติพลแล้วควรจเจริญสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกฉันกระพริบตาสองสามทีตั้งแต่จเจริญสติปฐานสร้างวาสนาให้ตนเองจนได้ร่วมขบวนเห็นนิพพานกับเหล่าสาวกนับไม่ถ้วน ฉันไม่เคยนึกเลยว่าตรงไหนคือสมถะตรงไหนคือวิปัสสนามีแต่ทำตามคำสั่งของบรมครูในมหาสติปทานสูตรโดยลำดับแล้วก็ได้ผลมาตามลำดับเคยทราบมาเหมือนกันว่ายุครามีการถกเถียงกันมากว่าตรงไหนคือสมถะตรงไหนคือวิปัสสนาซึ่งดูที่ถีงเถียงกันแล้วฉันรู้สึกท้อแท้มากกว่าจะได้ความเข้าใจที่ชัดเจน เลยไม่ให้ความสนใจนักแต่พอเห็นว่าพระพุทธองค์ก็ทรงแยกแยะสมถะและวิปัสนาออกจากกันกับทั้งแนะให้ทำควบคู่กันยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้สำเร็จโสดาปฏิผลแล้วฉันจึงตาตื่นและสนใจความต่างระหว่างการปฏิบัติทั้งสองส่วนนั้นจริงๆจังจังในมหาสติปทานสูตรนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงระบุจาแนกแยกแยะ ว่าตรงไหนคือสมถะตรงไหนคือวิปัสนาแต่พระองค์ก็ทรงแยกหน้าที่ของสมถะและวิปัสนาไว้ในปฐมปัญญาก็คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสองอย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชาธรรมะสองอย่างเป็นชนหะนคือสมถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมถะที่ภิกษุเจริญแล้ว ย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมจิตจิตที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมละราคาได้วิปัสสนาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมละอวิชชาได้ในจิตตุปาทกันของพระอภิธรรมปิดก นิยามของลักษณะจิตอันเป็นสมถะและวิปัสสนามีอยู่ค่อนข้างชัดเจนคือสมถะมีในสมัยนั้นเป็นชนหนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่แห่งจิตความมั่นอยู่แห่งจิตความไม่สายไปแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่ใส่ไปความสงบสมาธินีสมาธิพละสัมมาสมาธิ ในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าสมถะมีในสมัยนั้นวิปัสสนามีในสมัยนั้นเป็นชไหนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมะความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้แจ่มแจ้ง ความคิดค้นความใคร่ครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนประตักปัญญินทร์ีปัญญาพละปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนประสาสตความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนพระทีบปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลง ความวิจัยธรรมะสัมมาทิฏฐิในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าวิปัสสนามีในสมัยนั้นสรุปว่าอาการที่จิตสงบตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านมีกำลังคือลักษณะของจิตที่เป็นสมถะส่วนอาการที่จิตมีปัญญารู้ชัดไม่หลงผิดทำลายกิเลสได้คือลักษณะของจิตที่เป็นวิปัสสนาพอยยกอย่างนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกัน จะได้ทราบว่าระหว่างสมถะและวิปัสสนานั้นส่วนใดยังอ่อนส่วนใดที่เข้มแข็งแล้วและหากพิจารณาอย่างลึกซึ้งเข้ามาถึงจิตอย่างท่องแท้จะเห็นว่าแม้ศีลห้าก็เป็นส่วนหนึ่งของสมถะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเสมอว่าความบริสุทธิ์ของศีลทำให้มีความสงบจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิง่ายเนื่องจากไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจนั่นเอง หากเข้าใจว่างานทางสมถะเริ่มขึ้นที่การเพ่งดูลมหายใจหรือบริกรรมอะไรไปเรื่อยโดยปราศจากการรองรับของศีลผลมักไม่เป็นความสำเร็จทางสมถะอย่าว่าแต่หวังก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาสําหรับส่วนประสบการณ์ที่ผ่านมาของฉันพอถึงจุดนี้พอจะตัดสินเป็นส่วนตัวได้ว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนาเริ่มต้นขึ้นมานั้น เพื่อให้มีความรู้ชัดทางสมถะหมายถึงการกำหนดรู้เท่าที่จะสามารถรู้และรู้ให้ต่อเนื่องในอารมณ์เดียวด้วยความจงใจถ้าฝุ่งซานบ้างก็ช่างไม่ใช่ไปคุมแจ่จนเครียดสำคัญคือไม่ลืมหวนกลับมาพยายามระลึกรู้อารมณ์เดิมหลังจากที่พลัดหลงไปบ้างก็แล้วกันส่วนวิปัสสนาเริ่มขึ้นเมื่อจิตสงบจากสภาพฟุ้งแล้ว เริ่มพิจารณาสภาวะที่กำลังปรากฏเด่นเฉพาะหน้าได้แล้วว่ามีลักษณะอย่างไรและลักษณะ น, นั้นคงที่หรือแปรเปลนเป็นธรรมดาทบทวนย้อนไปนในอดีตเมื่อแรกที่เริ่มสนใจภาวนาพยายามระลึกรู้ให้เป็นวิปัสสนาในระหว่างวันอย่างที่ครูบาอาจารย์และหลายท่านมักแนะนำฉันจะมีสติแบบเข้าข้างตัวเองคืนึกว่ามีสติตลอดเวลา ปฏิบัติตลอดเวลาเห็นอะไรก็รู้กระทบอะไรก็รู้โดยไม่มีสภาพเปรียบเทียบว่าเมื่อไหรจิตตกจิตขึ้นมีสติคมหรือสติทื่อช่วงเวลานั้นจุดบอดก็คือการขาดสมถะนั่นเองหากปราศจากการทำสมาธิตามรูปแบบซะบ้างก็ยากที่จะมีจิตสงบสงบเป็นการตั้งหลักเทียบวัดคุณภาพ พอมาเจริญสติปัฏฐานจริงจังปักหลักตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออกทั้งวันทั้งคืนโดยไม่สนใจว่ากำลังหลับตาหรือลืมตาความหมายของสมถะก็กระจ่างชัดขึ้นการทำจิตให้มีเครื่องผูกมีเวลาโดยมากนิ่งรู้ไม่เรร่อนแสสายตามอำเภอใจนั่นแหละสมถะที่พร้อมให้ต่อยอดขึ้นเป็นวิปัสสนา และลมหายใจก็คือเครื่องมือช่วยเจริญสติใกล้ตัวที่สุดทำได้ทุกอิริยาบถไม่จำกัดเวลาพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญการอบรมสติรู้ลมหายใจบ่อยครั้งที่สุดในบรรดาข้อปฏิบัติอบรมสติทั้งหมดทุกชนิดถ้าไม่มีหลักไม่มีราวเกาะอย่างลมหายใจให้เริ่มต้นก้าวแรกจิตจะออกอ่าวไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้จะดูอะไรดี วันๆมีแต่อารมณ์เปปะมั่วซั่วไปหมดลมหายใจเดียวกันอาจเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะรู้ถ้าแค่รู้ว่าออกหรือเข้าเป็นสมถะแต่ถ้าเห็นว่าออกเห็นว่าเข้าเห็นว่ายาวเห็นว่าสั้นมีความไม่สม่ำเสมอสติตั้งมั่นรู้อยู่เห็นอยู่ในลมหายใจทั้งปวงว่าแปรปรวนเป็นธรรมดานั่นคือวิปัสสนาแล้ว จิตที่แยกเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นแหละอาการติดตามไม่ลดละกระทั่งเกิดความหมายรู้ว่าไม่เที่ยงนั่นแหละจุดเริ่มของความสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ไม่ต้องไปให้ความสำคัญว่าลมเข้าเรียกว่าเกิดลมออกเรียกว่าดับหรือลมเข้ากับลมออกรวมกันเรียกว่าเกิดลมหยุดเรียกว่าดับตรงไหนที่จิตยอมรับได้ว่ามีความต่างสภาวะกันตรงนั้นแหละ คือจุดที่จิตเริ่มเห็นความดับของสภาพใดสภาพหนึ่งและปปลเป็นความเกิดของอีกสภาพหนึ่งแล้ว